น้อมๆต่อคุณพระรัตนาไตรขอการเพื่อนสลห <c oughs> รับ ท, ท, ท, ทุกท่านเจริญธรรมไม่ชีรลยญาติธรรมทุกท่านนั่งสบายๆเนา ะ, ะเมื่อกี้เราก็ได้สวนบทพัดเทกรัตคาถาเนาะอันนี้จริงๆแล้วถือว่าเป็นหัวใจในการบรธรรมหรือว่าเป็นหลักการในการเจริญสติเลยเนาะ บอกว่าอติตั้งนานวาขเมยยะนับปฏิกังเข อ, อนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มานะก็คือสิ่งที่เป็นอดีตนะมันก็ผ่านไปแล้วใช่อนาคตก็ยังไม่มานั่นแหละแต่ว่าเป็นยังไงนะใจแล้วมันไม่ยอมที่จะอยู่กับปัจจุบันใช่มมันชอบเข้าไปอดีตหรือเข้าไปอนาคตปจจใช่ไมเมืม่อเรานั่งนิ่งๆ น, นะสังเกตไหม ใจจะทําทงานทันทีเลยนะเมื่อไรที่เรานั่งนิ่งๆเนี้ยมันก็จะทํางานเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีเครื่องรู้เพราะไม่มีเครื่องรู้ใจก็ทํางานเราทํางานไปที่ไหนทํางานไปในอดีตและอนาคตนั่นเองใช่ไหมนะคิดเป็นเรื่องต่างๆมากมายเรื่องอดีตต่างๆน ะ, ะเมื่อวานนูน้นเดือน น, นู้นปีนู้นใช่ไหมเมื่อกี้นี้นะมันคิดไปเรื่อยๆนะใช่ไหอ อันเนี้ยมันผ่านมาแล้วนะแล้วตรงเนี้ยทาให้คนมีความทุกข์เข้ามาคิดเรื่องดินก็มีความทุกข์นะเข้ามาว่าเราขามาดาเราเราสูญเสียนู่นสูญเสียนี่พัดพา ก, ก, กันไปเนาะจากคนที่เรารักไปนะมีเทอาจารย์เผยารนั่งเคยพูดไปเมื่อวันสองวันนี้เป็นเทปหรือเป็นอะไรจำไม่ได้แล้วทำไมว่าเหมือนกับอสามีหรืออะไรเสียไปแล้วตายไปแล้วเนี่ย ภรรยาก็ยังนึกถึงอยู่เรื่อยๆเลยใชนะ่บางทีก็เอ า, อาจัดสํารับกับข้าวให้กินนะแล้วก็มีตั้งโทรศัพท์ด้วยนะโทรศัพท์ไปหาเบอร์ของสามีแต่และสามีก็บอกว่ายังไม่ว่างนะเดี๋ยวโทรกลับมาใหม่อะไรทำนองนี้อันนี้คือไปผูกพันกับอดีตใช่ไหมอันนี้แล้วมันก็เป็นไงมันก็เมื่อมีความผูกพันมันก็คือความทุกข์นั่นเองใช่ไ ผูกพันกับใครไปรักสิ่งใดไปยึดมั่นสิ่งใดก็ต้องทุกข์เพราะสิ่งนั้นใช่ไหมมันมันละความผูกพันละอดีตไม่ได้มันก็มีความทุกข์เนาะละสิ่งที่คนเขามานินทาแล้วว่าเราไม่ได้ก็มีความทุกข์ละจากสิ่งที่พัดผ้าจากของรักของช อ, ชอบใจไปไม่ได้ก็มีความทุกข์นั่นแหละภราะวะใจเราอืชอบลงเข้าไปในอดีตเนาะ อนาคตยังมไม่ถึงแล้วก็ชอบหลงไปเนา ะ, ะวิตกกังวลต่า ง, างๆเยอะแยะมากมายจะเป็นนั่นจะเป็นนี่จริงๆแล้วคนที่คาดตัวตายเนะ่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากังวลเรื่องอนาคตนั่นแหล ะ, อะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราแย่ยากจนไม่ค่อยมีเงิน อ, อาจจะเคยมีเงินมาก่อนนะแต่ปัจจุบันมันไม่มีเงินมันก็คิดละออนาคตมันจะเป็นยังไงนาะเราจะลําบากมากกว่านี้ไหม นะมันจะลําบากมากกว่านี้แล้วมันก็คนก็จะดูถูกเรากิจการงานก็ไม่ก้าวหน้าที่ไปคิดมา ม, มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นอนาคตมันกลายเป็นเรื่องไม่มีความสุขเลยเพราะไม่มีเงินหน่อยเดียวคิดอนาคตยาวเหยียดแล้วไม่มีความสุขแล้วอะไรลูกหลานก็จะทิ้งเราน ะ, ะคิดมากๆก็อยู่ไม่ได้ ไ, ดไปฆ่าตัวตายนะเพราะว่ามันมันทนความคิดไม่ได้ใช่ไหม แต่คนเรื่องคิดอดีตไม่ค่อยไปฆ่าตัวตายเท่าไหร่นะเพราะมันผ่านมาแล้วนะมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านมามันก็ไม่ได้ไปคิดอะไรเยอะมากมันเพียงแต่ไประลึกถึงแล้วก็มีความทุกข์ส่วนที่ฆ่าตัวตายมันต้องไปคิดถึงอนาคตนั่นแหละมันจะยังงู้นอย่างนี้จะแย่เสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรเยอะแยะไม่มีใครดูแลเราแล้วมันก็ไปฆ่าตัวตายกันนะแต่มันไกวไปฆ่าตัวตายนลมันก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเยอะแล้วนะ มันรู้สึกว่าชีวิตนี่มันมีแต่ความทุกข์แล้วมันทนไม่ไหวมันก็ไปฆ่าตัวตายเนาะนี่แหละก็เพราะว่าความคิดนั่นเองนะคณะนีะนนะ้ก็มีบทสวดต่อมาว่าปัจจุบันปัจจุบันนันจะโยทำ ม, มังตัดทะตัดฐวิปัสสติอาสังหีลังอาสังกุปปังตังวิทามนุภลูเะเยทำใดที่เกิดขึ้นจะพาะหน้าในทีนนนน่นั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนงานคอนแคลน เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไวนะก็คือทําที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นก็คือปัจจุบันธรรมนั่นเองใช่ไหมปัจจุบันนี่แหละ <c oughs> ก็คือในขณะนี้เรารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเฉพาะหน้าเราใช่ไหมเราตรงนี้เรานั่งเราได้ยินเสียงเรารู้ไหมใช่มแล้วเรามีการกระทบอากาศเย็นๆสบายสบายเรารู้ไหมใช่ไหม เรานั่งแล้วปวดเมื่อยเรารู้ไหมนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราท่านั่งเฉยๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็กระทบในสิ่งเหล่านี้นะั่นแหละพื้น <c oughs> มันเป็นอย่างไรอากาศเป็นอย่างไรได้ยินเป็นอย่างไรนะ <c oughs> มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าใช่ไหม <c oughs> หรือเราจะทำอะไรให้เกิดขึ้นมามีการเคลื่อนไหวอ า, อาจจะยกมือสร้างยังหวะพลิกมือคว่ำพลิกมืองายกระทบนิ้วต่างๆเนี่เรารู้ไหมใช่ไห มันก็คือกลับมารู้สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็คือปัจจุบันนั่นเองนะครับคราวนี้เราจากการที่มันชอบเข้าไปในอดีตอนาคตเนี่ยเมื่อมันมารู้สิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าก็คือปัจจุบันแล้วใจมันก็จะกลับมารับรู้ในขณะนี้แทนนะมันก็ไม่เข้าไปคิดในอดีตที่มันมีความทุกข์มีความเจ็บปวดมีการพัดพลาดหรือว่าไปคิดในอนาคตที่ยัง <c oughs> มาไม่ถึงแล้วก็ไปบีบวิตกกังบนใช่ไหมแต่เมื่อมาอยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็คือละ จากความคิดได้มาเป็นความรู้แทนเนาะคนที่อมีความทุกข์นั่หละเพราะว่าเข้าไปในความคิดนั่นเองนะอดีตเป็นขีดสิงต้องคิดใช่ไหมเมื่อวานจริงๆแล้วมีไหมเมื่อวานนะไม่มีนะเมื่อวานไม่มีแล้วใช่ไหมเมื่อวานปุ๊บก็กลายเป็นวันนี้แล้วใช่ไหมเพราะนั้นมันจึงไม่มีเมื่อวานไม่ไม่ไม่มีอดีตหรอกใช่ไหมพรุ่งนี้มีไหม พรุ journey, all, ่งน like like okay. uh. <t> ี้ก็ไม่มีนะอ่าเพราะเป็นพรุ่งนี้ปุ๊บมันก็คือกลายเป็นวันนี้อีกแล้วใช่ไหมมันก็คือจริงๆแล้วชีวิตเรานีมันทั้งชีวิตเลยนะดูให้ดีนะมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเลยมันมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นเองมีแต่ปัจจุบันนี่แหละคือมันอยู่ในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้น่ยคือความจริงของเราใช่ไหมไม่มีพรุ่งนี้นะอ่าไม่มีเมื่อวานนะลองดูให้ดีนะมันมีแต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองะ แล้วปัจจุบันเนี่ยมันสําคัญนะว่าเราเรารู้มันไหมเรารู้ไหมขณะนี้เราอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เรารู้มันไหมขณะนี้เราอยู่ในปัจจุบันแต่มันอยู่แต่กายแต่ใจเรามันเข้าไปในอดีตหรืออนาคตเป็นประจําเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอดีตก็คือความคิดนั่นเองใช่ไหมถ้าเราไม่ไปคิดมันมันก็ไม่มีอดีตหรอกใช่ไหมมันมันผ่านมาแล้วน่ะมันเป็นแค่ความคิดเมื่อวานเรากินข้าวกับอะไรใช่ไหมเราเราก็ต้องไปนึกถึงใช่ไหมมันอาศัยความคิดจึงจะไปอยู่ในอดีตได้จึงจะไปดึง สัญญาความจําในตรงนั้นออกมาได้ใช่ไหมอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแล้วก็ไปคิดมาแล้วใช่ไหมก็เป็นความคิดทั้งนั้นเลยแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ต้องคิดใช่ไหมลองดูนะปัจจุบันนี้มันไม่ต้องอาใส่ความคิดแต่มันเป็นการรู้ใช่ไหมทำมันรู้ไม่ชัดแล้วก็สร้างตัวรู้ขึ้นมาก่อนก็ได้นะตี ต, ต, ตีขยับนิ้วขยับมือเนี่ยให้เกิดรู้ขึ้นมามันก็อยู่ในปัจจุบันได้เองนะเพราะไม่ใจมันก็หลงไปแล้ว หลวงก็ไป่แน่เดชในหลงในอนาคตปัจจุบันเองหลวงในอนาคตเป็นประจําแต่ปัจจุบันมันไม่รู้แต่สิ่งที่มันต้องรู้คืออะไรก็คือให้มันรู้ในขณะนี้นั่นเองนี่แหละคือปัจจุบันนี่แหละคือการเจริญสติใช่ไหมแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆแล้วเป็นไงมันมันไม่ชัดเจนไงมันมันก็เมื่อมันไม่ชัดเจนมันจึงหลงไปได้มันไม่ชัดเจนเพราะเราเคยชินอยู่แล้วการนั่งเฉยๆนี่แหละบอ่าเรารู้ปัจจุบันรู้นั่งนิ่งๆมันจริงๆมันก็ทําได้นะ แต่นั่เฉพาะคนที่มีสติดีแล้วใช่ไหมมันนั่งนิ่งๆมันก็รู้สึกตัวได้แต่มันไม่ชัดนะเพราะว่าการนั่งนี่มันเป็นความเคยชินแล้วมันจะไม่ชัดก็เลยต้องอาศัยอาการเคลื่อนไหวบางอย่างขึ้นมารู้ใช่ไหมขยับนิ้วขยับมือยกมือเนี่ยต่างๆเนี่ยพราะพวกนี้มันมันเป็นความไม่เคยชินอย่างหนึ่งให้มันกลับมารู้ขณะนี้มีการขยับขยับมือขยับนิ้วเนี่ยมันตรงเนี่ยเพราะมันขยับมันก็เริ่มชัดขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เริ่มรู้สึกตัว กลับมันอยู่ที่กายรู้ที่กายพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายอยู่ที่กายอันเนี้ยมันมันออกจากความคิดได้นะมันเป็นตัวรู้แทนใช่ไหมเพราะว่าความคิดมันคือดีดเรืออนาคตแต่ว่าเมื่อมันอยู่กับตรงเนี้ยเป็นตัวรู้ตรงนี้นะมันก็อยู่กับปัจจุบันได้เพราะมันอาศัยแค่ความรู้ใช่ไหมมันไม่ต้องมาคิดว่าเราพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายมันคิดว่ากําลังยกยกหนอพลิกหนอมันไม่จําเป็นนะมันออกจากความคิดได้เลยมันเป็นตัวรู้นั่นแหละ นะรู้ตรงนี้มั น, มนจึงเป็นปัจจุบันนะมันแค่รู้นิ่งๆรู้เฉยๆรู้รู้แบบไม่ต้องไปไปหาเหตุผลอะไร <c ười> คําว่ารู้เฉยๆไม่ใช่ว่ารู้จมแช่ไม่รู้เรื่องแต่หมายความว่ารู้แบบไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรกับมันแค่มันรู้แล้วมันก็เปลี่ยนไปรู้แล้วก็เปลี่ยนไปไม่ไปจมแช่กับอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้เขาบอกว่าสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพกพูนให้มากๆพกพูนหมายความว่าเราก็จเจริญคือคือทำให้มากๆทําให้บ่อยๆนั่นเองนะเราก็ อาจจะเข้าใจาเกิดสติขึ้นมาได้ใช่ไหมสติก็คือการรู้เท่าทันกายและใจนี่แหละสติก็คื อ, อสติมันก็มีคำว่าสัมชัญญะต่อมาสิดมาด้วยมัาสติสัมชัญญาสัมญาก็คือการรู้ตัวรู้ตึกตัวรู้สึกตัวในขณะนี้กําลังทำอะไรอยู่เนาะกำลังนั่งกําลังยืนกําลังเดินกําลังนอนกําลังพลิกมือกำลังยกมือสรางยงวัฒน์กาลังคู่แขนเหยียดแขนกําลังกวาดพื้นกําลังอาบน้ํากําลังแปรงฟัน กําลังซักผ้านะมันมันก็คือตรงเนี้ยสัมชัญญะก็คือการรู้สึกตัวนะแล้วหลังนั้นมันก็มันก็ต่อเนื่องกันนะเมื่อรู้สึกตัวมันก็เกิดสติขึ้นมาคือการระลึกได้ระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมระลึกได้กําลังคิดไปแล้วกําลังหลงไปกําลังรักกำลังโกรธกําลังชังมันก็คือการระลึกได้หมดเลยนะมันคุมทั้งหมดในตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อเรามีสัมชัญญะคือความรู้สึกตัวได้แล้วมันก็จะเกิดสติ ขึ้นมาเป็นมันจริงๆมันไม่ได้เกิดทีหลังนะแต่มันเกิดพร้อมๆกันใช่ไหมมันเป็นคู่แฝดกันเนาะเราก็สามารถที่จะกลับมารู้ตัวเราติดก็ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนี่เนาะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มันมันจึงว่าสติอยู่ที่ตรงไหนก็คืออยู่กับปัจจุบันท่านเองนะสติไม่ได้อยู่กับอดีตหรืออนาคตแต่การที่มันอยู่กับอดีตหรนาคตถ้ารู้ทันมันก็เป็นสติใช่ไหมเราคิดเออเมื่อวานกําลังทำอะไรอยู่นะกำลังกินข้าวกับอะไร ไปเที่ยวไหนอันนี้มันจริงๆมันเป็นสติได้นะเพราะมันเป็นการที <market> ่เราตั้งใจคิดในขณะเราตั้งใจคิดเรารู้ทันขณะนี้เราตั้งใจคิดนะอันนี้มันมันไม่ได้เป็นการหลงไปแต่มันเป็นการรู้ใช่ไหมเป็นการรู้นะเราสังเกตไหมมันเป็นการรู้มันไม่ได้เป็นการหลงไม่ได้เป็นการคิดนะคราวนี้จิตเรานะมันมันก็มีหน้าที่รู้นะมันมีหน้าที่รู้มันไม่มีหน้าที่หลงนะจิตเราไม่มีหน้าที่โกรธไม่มีหน้าที่รักไม่มีหน้าที่ชัง ไม่มีหน้าที่อิดช้ริษยาถึงหวงน้อยใจเสียใจเพราะาอะไรเพราะว่าจิตมันมีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองนะจิตมันหน้าที่ก็รู้มันไม่ใช่หน้าที่หลงแต่หลงนั่นเป็นอะไรหลงนั่นคือา อ, อาการของใจอาการของจิตนะอาการที่มันที่มันแสดงออกว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะตรงนี้ต้องรู้เท่าทันให้ให้ให้ชัดเจนนะเพราะเหตุที่เราบังคับเขาไม่ได้ก็จึงหลงเขาจึงรักเขาจึงเกลียดเขาจึงโกรธเขาจึงชังเขาจึงอิจฉ้าฤศยาเขาจึงหึงหวง นี่แหละคือเป็นอาการที่เขาเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยนะคือการน้งใจเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าเขาเกิดเขามาเขาไปเขาดับเขาอยู่เขาอะไรเป็นเรื่องของเขาเองไม่ใช่เรื่องของเราเราบังคับบัญชาไม่ได้นะอย่างที่เราศึกษามาแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายและใจอันนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช่ไหมเพราะใจมันก็ไม่ใช่ของเราไม่ตัวไม่ตนของเรา มื่อมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราแล้วมันก็คือเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่ของเราหานั่นเองใช่ไหมถ้าเป็นของเราเราก็ต้องบังคับได้เอออย่าอย่าหลงนะอย่ากโกรธอย่ารักอย่าชางังอย่ากเกลียดมันก็นบังคับได้แต่เรบาบังคับไม่ได้นี่มันก็แสดงชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราใช่ไหมเพราะนั้นหน้าที่ของเราอย่างเช่นเรามีความโกรธหรือมีความหลง ก, งก็ดีนะหน้าที่เราแค่รู้เท่านั้นเองนะหน้าที่เราแค่รู้ ส่วนมันรู้แล้วมันจะหลงต่อหรือมันจะคิดต่อไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องเราเป็นเรื่องของใจมันเองใช่ไหมเพราะใจไม่ใเราก็มันหลงก็เป็นเรื่องของใจนะหรืออ่ามันมีใครเข้ามาด่าเรามันโกรธเราไม่นะที่รู้แค่มันโกรธนันมันโกรธก็คือมันมันจบแล้วมันจบที่มันรู้รู้ที่มันโกรธส่วนมัน หลังจากที่มันรู้แล้วมันมันจะหยุดโกรธหรือมันจะโกรธต่อหรือมันจะจะยังไงมันก็เป็นเรื่องของมันไม่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของใจใจไม่ใช่ของเราก็เป็นเรื่องของมันเองไม่ใช่เรื่องเราไม่มีหน้าที่ไปยุ่งไปจัดการอะไรกับมันใช่ไหมเพราะโดยวิธีนี้ก็คือเป็นยังไงถ้ามันสรุปคําที่ครูบาอาจารย์บอกก็คือรู้เฉยเฉยนั่นเองนะรู้เฉยเฉยไม่ใช่รู้แบบไม่ไม่ได้แบบรู้แบบซึมซึมซื่อบื้อไปจมชาแต่รู้เฉยเก็คือรู้รู้ได้ความที่เรียกว่า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันใช่ไหมก็เป็นเรื่องมันไม่เรื่องเราแต่เราก็รู้แล้วใช่ไหมหรือเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นก็คือก็เห็นมันนั่นแหละเห็นไม่เป็นนะมันโกรธก็เป็นเรื่องมันไม่เรื่องเราเราไม่น้าที่รู้มีหน้าที่เห็นก็จบจบหน้าที่ของเราแล้วถ้ามันจะโกรธต่อหรือมันจะไม่โกรธก็ไม่ใเรื่องเราเป็นเรื่องมันไม่เรื่องเรานะแค่นี้เองนะเนี่ยมันก็จะแยกมาเลยมันเป็นเรื่องของมันไม่เรื่องเราเราไม่น้าที่รู้เท่านั้นเองใช่ไหมมันก็รู้ตรงไหนอ่ะใช่ไหม มันก็รู้ที่ใจนั่นแหละใช่ไหมอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนเมื่อก่อนท่านก็ฝึกสมาธิมามากแล้วท่านก็จริงๆท่านก็มีสิ่งต่างๆจากการที่ฝึกสมาธินี่มามากมายถ้าจะเป็นครูบาอาจารย์ในใสายสมาธิกท็ท่านก็ยังทําได้นะั่นน่ะจริงๆแล้วท่านเก่งมากเลยท่านบอกท่านเข้าห้องพานิชท่านก็นั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วแบบติดสงบมากเลยนะแล้วก็มีหลายๆลอย่างที่เคยฝึกมาเยอะ เพราะฉะนั้นเวลาถ้าไปฝึกจเจริญสติแล้วเนี่ยหลวงมอเทียนก็กลัวว่าท่านจะเข้าไปติดข้างในคือก็ไปอยู่ในสมถะเข้าไปติดนิ่งๆแช่แช่หรือว่าไปติดสงบต่างๆอีกอวันหนึ่งท่านก็อยู่ในกุติหลวงม่อเทียนก็มาถาม อ, อยู่ข้างในเห็นข้างนอกไหมไม่เห็นครับทำํำยังไงจะให้เห็น ท่านก็เยเดินมาที่ประตูแล้วก็ยืนที่ประตูเปิดประตูเอาไว้แล้วก็ยืนที่ประตูเห็นข้างนอกไหมเห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับเออตรงนี้นั่นแหละแล้วท่านก็เดินไปเนาะอันนี้คืออความหมายของท่านท่านไม่ได้อธิบายเยอะนะแต่ว่าหลวงพ่อคําเขียนนั้นก็มีปัญญาและก็เห็นโอ้ตรงนี้นะก็คือเรา ก, ก็ไม่เข้าในนะเมื่อก่อนเราอาจจะเข้าใน แต่ตอนนี้การจิตริยก็คือเรารู้ข้างนอกด้วยรู้ข้างในด้วยก็คือเราไม่เข้าไปจมข้างในอย่างเดียวนะแต่ว่าเราก็ต้องรู้ข้างนอกแล้วก็รู้ข้างในด้วยเ้ตรงนี้ท่านก็จริงๆแล้วท่านจะเข้าใจมาก่อนแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับเป็นการที่เรียกว่าให้ให้ให้ชัดเจนอีกครั้งนึงว่ามันจะไม่เข้าในแล้วก็ไม่ออกนอกอย่างเดียวนะครั้ น, นี้ถ้าเราไปบัตรแล้วเราก็อยู่แต่ข้างนอกนะก็คือ เรารู้แต่ข้างนอกใช่ไหมอาจจะรู้รู้ต่างๆได้เยอะแยะเลยรู้ข้างนอกใช่ไหมแต่จริงๆมันรู้ตรงไหนมันใจเป็นคนรู้ใช่ไมมันไม่ว่าตาไปเห็นอย่างเดียวใช่ไหมอย่างผู้ชายตรงนั้ตาเห็นผู้หญิงสวยๆปุ๊บมันก็จะไปสนใจข้างนอกเลยตาเห็นผู้หญิงสวยๆไปสนใจข้างนอกเลยอันนี้เป็นหลงหลงร้อยเเซ็นใช่ไหมแต่ถ้าใจเริ่มกลับมารู้ภายในแล้วโอ้ตอนนี้เราชอบเขานะอ่าเราสนใจเขานะ เราเริ่มยินดีในผู้หญิงวันนี้นะเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งวิจัยมันมันเริ่มที่จะมีอาการเช่นนี้แล้วใช่ไหมจริงๆแล้วเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยใจมันทํางานทันทีเลยแต่เรากลับมารู้ทันไหมตอนนี้เราเริ่มชอบนะเราเริ่มยินดีนะเราเริ่มสนใจก็แล้วนะมันกลับมาเห็นในตรงนี้ไหมล่ะมันสําคัญในตรงนี้มากกว่าใช่ไหมตาเห็นรูปเนี่ยใจมันทางานทันทีก็เรียกว่าเมื่อกระทบตาคืออายนะมันกระทบผัสสะเป็นรูปผู้หญิงเป็นต้น มันจะเกิดเวทนาทันทีเลยนะเวทนาก็คือความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยเฉยนี่แหละแต่ใจมันกลับมารู้ทันไหมเนี่ยตรงนี้ที่กลับมารู้ทันนี่แหละคือการที่รู้ภายในนะกลับมารู้ทันภายในใจเป็นไรมันรู้ทันไหมหูได้ยินเสียงคนมาด่าเราใช่ไหมเมื่อก่อนใครมาด่าเร า, าเราจะไปส่งใจไปข้างนอกกันทีเลยด่าทําไมนะอะเรื่องที่นี้ทํำไมาต้องมาด่าเราเราไม่ทําผิดสักหน่อยด่าทําไมอหรือว่าเป็นใครมาด่าเรานะ นิสัยไม่ดีน่ะตัวเองทําผิดก็ไม่รู้เที่ยวได้ด่าคนหนึ่งก็คือมันส่งไปไปหาคนที่เขาด่าเราส่งจิตตั้งนอกตลอดเลยใช่ไหมแต่ในนนที่ด่านั่นน่ะใจมันไม่พอใจน่ะมันบ่ไม่พอใจมันก็เกิดเวทนาทันทีเหมือนกันนะโดนเสียงด่าปุ๊บมันกระทบตัวเนี่ยเกิดเวทนาอยู่แล้วนะคือความไม่พอใจมันทํางานทันทีในใจมันทํางานเกิดเวทนาทันทีเลยแล้วมันกลับมารู้ทันเมื่อไหรตอนเนี้ยใจมี ความไม่พอใจเกิดขึ้นมีความโกรธขึ้นมันรู้ทันไหมเนี่ยใช่ไหมเราต้องกลับมารู้ทันเออขณะนี้ใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมันรู้ทันปุ๊บนะอ่าเนี่ยตรงนี้มันมันคือการกลับมารู้ภายในด้วยใช่ไหมไม่ใช่รู้แต่ภายนอกอย่างเดียวนะคราวนี้รู้ภายนอกนะมันก็เราก็จกเจริญสติมันแล้วก็ตายรู้หูได้ยินเสียงต่างๆนี่แหละตรงนี้นะอันนี้มันมันเกิดตามธรรมชาตินี่ว่าเราไปห้ามตาก็ไม่ได้ห้ามหูก็ไม่ได้ใช่ไหม แต่มันกระทบใจแล้วเนี่ยใจเราสามารถรู้ทันได้ใช่ไหมมันมันต้องมาแก้ที่ใจใช่ไหมบางคนมาว่าเขาคนเนี่ยเขาเขาชอบว่าเราเขานินทาเรานะหรือว่าเขาอ่าทําไม่ดีกับเราไปจําเลยใช่ไหมอันนี้เราไปแก้เขาได้ไหมแก้ไม่ได้นะมันมันแก้ไม่ได้หรอกบางคนพี่น้องอยู่ด้วยกันนะมันมีแต่ความทุกข์ใช่อหมบางทีพี่น้องอยู่ด้วยกันมันมันหนีเป็นไหนไม่ได้ไม่เหมือนสามีภรรยามันยังมันยังหยากันได้ม แต่พี่น้องที่มันต้องอยู่บ้านเดียวกันเป็นโครงสีมันก็หนีก็ไม่ได้มันต้องเจอทุกวันใช่ไหมเราบางทีก็ไม่ชอบใจกันมีการขัดเขืนอยู่ในจำนะมันมันันมันก็อยู่ในนรกอย่างเงอยู่ในนรกเลยนะชายพี่น้องอยู่สองคนก็เหมือนกลายเป็นนรกแล้วใช่ไหมมันหนีไม่ได้น่ะเราไปแก้ก็ไม่ได้มันมันต้องแก้ที่ใจเราเองนะใจเราเป็นอย่างไรใช่ไหมมันก็ต้องให้มีสติรู้เท่าทันใช่ไหมท่านี้ใจที่มันมีสติรู้เท่าทันเนี่ย พอเรามีกําลังของสติมากแล้วนะมันก็กลายมปนรู้เฉยๆได้มะมันก็เห็นอาการของใจโอ้มันมันโกรธแล้วนะโกรธก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องเรานะมันแค่เนี้นะมันเข้าใจมันก็มันก็ดับเลยมันมันดับไวมากใช่ไหมอ่ะมันจะดับเออมันมันเรื่องมันไม่เรื่องเรามันโกรธก็เรื่องมันไม่เรื่องเรามันดับแต่เมื่อก่อนมันมันเป็นของกูนะกูโกรธกูรักกูชังนะกูเกลียดกูชอบกูยินดีกูยินลายมันเป็นกูใช่ไหม มันก็เลยอยู่กับเรานานใช่ไหมแต่เมื่อเราเข้าใจอออันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของนายไม่เรื่องเรานะอเรื่องของเรื่องของมึงไม่เรื่องกูนะมันก็ออกไปได้เร็วใช่ไหมด่าใครอ่ะจริงๆเขาไม่ได้ด่าเรานะอเขาด่าไอ้ไอ้กายนี่แหละใช่ไหมด่าไอ้กายนี่แหละอกายมันเป็นเราอ่ะกายก็ไม่ใช่เราใช่ไหมสมมติเราเราเราชื่อเราชื่อสมชายนะเขาด่าสมชายใช่ไหม สมชายชั่วจังเลยสมชายนิสัยไม่ดีสมสมชายนะเป็นคนขี้เกียจใช่ไหมเราโกรธมากเลยเพราะเราชื่อสมชายนะเรามดาเราสมชายนะแต่เขาบอกว่าเออสมหญิงนิสัยไม่ดีนะสมหญิงขี้เกียจจังเลยเราก็รู้สึกมันไม่กระทบเราก็ด่าสมหญิงไม่ไม่ด่าสมชายแต่เราไปยึดไว้นี่มันสมชายเป็นเรามันก็โกรธทันทีนะแต่เมื่อเราค่อยๆที่เรียกว่าเราถอดถอน ความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนแล้ว น, นนะสมชายก็เป็นแค่สมมตินะจริงๆสมชายเนี่ยถ้าไปหาในอินเทอร์เน็ตนะมีเป็นน่าจะเป็นหมืน่นๆหรือเป็นมากหลายๆหยมื่นชื่อนะสมชายเนี่ยเป็นชื่อโหลใช่ไหมใครๆก็ชื่อสมชายเยอะแยะเลยใช่ไหมนะใช่ไหมไอ้เราเราไปยึดทําไมว่าเราชื่อสมชายใช่ไหมตรงเนี้ยถ้าเราเห็นความจริงมันก็เป็นเรื่องสมมุติอย่างนะไอ้กายก็ไม่เรานะมันไม่รู้ด่าอะไรมันก็ผ่านผ่านเร็วใช่ไหมตรงนี้มันเป็นเรื่องของการที่เ้าเรียกว่า เป็นโยนิโสมมนสศิการนะพอเราเข้าใจในความที่มันไม่ตัวไม่ตนนี่แหละมันก็วางได้เร็วใช่ไหมไ ม, ไม่ด่าเราก็เรื่องของเขาแลยอย่างหนึง่งคาําด่านี่มันไม่ได้เป็นของแข็งใช่ไหมไม่ใช่เป็นเอาไม้มาตีเราใช่ไหมเอามีมาแทงเรานะมันก็อาจจะเจ็บปวดได้ใช่ถ้าโดนเช่นนั้นมันก็เจ็บปวดได้แต่คาําด่ามันก็มันแค่มาแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมมาแล้วก็ผ่านไปแต่มันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอารมณ์เราไปยึดไงว่าเขามาด่าเรามันยึดปุ๊บมันก็เป็นไงมันก็ทุกข์ทรมานต่อมามันก็คิดเด็กอ่าด่าเมื่อวานแล้ววันนี้ก็มาคิดเด็กเขาด่าเรานะเขาดูถูกเรามันก็มาทําร้ายจิตใจเรานะเมื่อวานนี้มันทําร้ายเราวันนี้มันก็ยังทําร้ายเราต่ออ่าพอวันอีกวันหนึ่งสามวันมาแล้วก็ยังคิดเด็กเออเขามาด่าเราเขามาดูถูกเรานะมันก็ยังทําร้ายใจเราต่อนะทั้งที่มันก็ผ่านไปแล้วนะคําพูดว่ามันผ่านไปแล้ว คนดา่ามันก็ลืมไปแล้วด้วยมันอาจจะลืมไปแล้วแหละใช่ไหมแล้วมันไม่สนใจด้วยแต่เราก็ยังนึกถึงอยู่มันก็ทำร้ายเราอยู่เรื่อยๆทุกวันนะอันนี้ยังที่ว่ามันที่เมื่อกี้ที่บอกว่าอาดีตใช่ไหมอดีตเมื่อเราไปให้ค่ากอาดีตนาตีตังนานว่าขเมยยะเนี่ยมันก็คือความคิดนั่นเองนะว่าเขามาด่าเราแล้วก็มีมีความทุกข์เกิดขึ้นตลอดนี่แหละความทุกข์เกิดจากความคิดใช่ไหมทั้งทั้งนี้มันก็ไม่ได้เป็นของแข็งอะไรมาทําร้ายร่างกายอะไรเราเลย แต่มันแค่มันทำลายจิตใ จ, จเราใช่ไ้มทำลายจิตใจเราเมื่อเราไม่ให้ค่ามันก็ผ่านไปมันก็ไม่เกิดรอยแผลใช่ไหมแต่เมื่อเราให้ค่ามันก็เกิดรอยแผลขึ้นในใจเราแ ล, แล้วมันก็ลบออกยากเนาเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีสติในการที่จะรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้นะอะ่าพราเรามีสติปุาบมันก็รู้ปุ๊บมันก็ผ่านผ่านนะอะ่าเพราะฉนั้นคําว่าสติหมายความว่าอะไรหมายความว่ารู้นะรู้แล้วก็ผ่านไปมันจะไม่ยึดติดกับอดีต ถ้ามันยึดติดกรดีตมันด่าไปแล้วเมื่อวานเรายังมายึดมันอันนี้ไม่เป็นสติแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเราหลงแล้วใช่ไหมแต่ว่สติก็คือแคแ่รู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปเราก็ไม่มีความทุกข์นะมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเราไปบังคับอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะสภาวะธรรมทุกอย่างก็คือเราเห็นเลยว่ามันบังคับมันชาไม่ได้อ่ามันจึงไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงคือความที่เราเมื่อไม่ไปยึดถือนะ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงก็ผ่านไป แต่เมื่อเขาทําอะไรก็แล้วแต่นะเขาทําดีไม่ดีกับเราแล้วเราไปยึดถือมันก็ไม่ผ่านนะมันก็อยู่ในใจเราตลอดไปใช่ไหมอยู่ในใจเรานี่แหละใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ผ่านนะมันก็กลายเป็นสถิตในใจเราแต่เมื่อเราเห็นว่าทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นเองนะบังคับบัญชาไม่ได้มันก็ผ่านไปหมดผ่านไปหมดเพราะฉะนั้นเมื่อใจเรามีสติแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านไปก็คือมันเปื้อนเรื่องของมันเองไม่ใช่เรื่ององเรานะมันดีมันชั่วมันถูกมันผิดก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรา เราไม่น่าที่รู้เท่านั้นเองนะรู้แล้วมันก็เป็นเรื่องของมันไม่เรื่องเรานี่แหละคือการไม่ให้ค่าเราทุกอย่างก็จะผ่านไปเนาะแต่ถ้ามาแล้วเราไปให้ค่าปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่กับเรานานก็เก็บในใจแล้วนี่แหละไม่ได้ไปไหนนะเราก็มีความทุกข์กับตรงนั้นนะ <c oughs> จึงว่าใจที่มีส ต, ติแล้วจริงๆแล้วนะมันก็ไม่ทุกข์หรอกนะมนะปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แล้วเนะ เพราะความทุกข์มันเป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเราไปให้ค่ากับเขาแต่ความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ล้นออกจากความทุกข์เหมือนกันใช่แต่ว่าเราก็ไม่ยึดกับความทุกข์เขาเรียกว่ามีความทุกข์แต่ไม่มีไม่มีผู้ทุกข์นั่นเองใช่ความทุกข์ความสุข <ส ug. S 1> ก็เป็นสิ่งสมมติอย่างหนึ่งที่เราเราแค่สัมผัสรู้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ให้ค่ากับมันนะมันแค่รู้แล้วมันก็ผ่านไปความสุขมาแล้วก็ผ่านไป เพราะสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างมันเป็นแค่ความปรุงแต่งเท่านั้นเองมันไม่ใช่ของจริงนะของจริงไม่มีอะไรเลยนะมันแค่รู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็วางรู้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมอันนี้ก็คือความจริงที่ว่าอาใจเราสัมผัสในตรงนี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องภายนอกก็จริงแต่ใจมันก็ต้องอสังเกตได้นะกลับมารู้ในใจเราเนี่แหละก็คือมันไม่เข้ามาจมแช่นิ่งๆแต่ว่าใจเป็นผู้สังเกตเนี่แหละคือการกลับมารู้ที่ใจ รู้ภายนอกและรู้ภายในนะตรงเนี้ยหลวงพ่อเทมุว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะมันก็ไม่ทุกข์แล้วใช่ไหมมันก็เรื่องรู้ภายนอกภายในนะตรงเนี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้แต่ภายนอกนะเราไม่รู้ภายในใจกําลังปรุงแต่งเราก็มีความทุกข์ไปเรื่อยๆนะเพราะเมื่อเราสามารถสังเกตใจเราได้แล้วนะมันเหมือนกับเราเด็กสังเกตเด็กๆได้ใช่ไหมเด็กๆนี่แหละถ้าเราสังเกตเด็กเป็นนะ <c oughs> เราจะเห็นว่าเด็กในจริงๆเร า, เร า, เราบังคับอะไรก็ไม่ได้เลยมันก็ซนดื้อร้องไห้ทําอะไรตามใจตัวเองนะไม่เชื่อฟังอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ปเป็นเรื่องของเด็กนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเด็กเราก็ไปบังคับเด็กต้องนิ่งๆต้องเชื่อฟังต้องไม่ร้องไห้ดังๆเนี่ยมันบังคับได้ไหมมันบังคับไม่ได้นะเด็กบังคับไม่ได้แต่แค่เรารู้เราเข้าใจ เ, ออเด็กเป็นเช่นนี้เองนะ เด็กมันก็เป็นเช่นนี้ของมันเองนะเป็นของมันเองเป็นเรื่องของมันเองเด็กก็เป็นของมันเองเช่นั้นใจเราก็เหมือนกันนะใจเรามันก็เป็นเช่นนั้นเป็นของมันเองบังคับอะไรมันไม่ได้นะแค่เราจริงๆกับธรรมทั้งหมดก็คือเข้าใจตรงนี้เท่านั้นเองว่ามันเป็นเรื่องมันเองไม่เรื่องเราบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ของมันเองนะมันไม่ใช่เราเนี่ยมันก็ปล่อยวางได้แล้วใช่ไหมนั่นมันการปล่อยเพราะเราก็เมื่อเข้าใจเด็กเราก็ แล้วก็คือเราเราแค่ดูมันเราไม่ได้ไปบังคับมันอันนี้ก็คือการที่เราเราเริ่มจะปล่อยวางได้แล้วใช่ไหมไม่ต้องไปให้มันดีให้มันอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหใจเราก็เหมือนกันนะเราเมื่อก่อนเราก็มีความทุกข์ว่าเราอยากเอาดีให้มันดีเป็นบรรดาที่เราต้องการทุกอย่างแล้วมันทําได้ไหมจริงจริงมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นของมันเองเช่นนั้นนะพอเราเข้าใจใจเช่นนี้แล้วเราก็แค่ดูมันรู้มันเห็นมันเท่านั้นเองมันก็ ไม่มีความทุกขนะ์แล้วเนเรื่องมันเองหมดเลยนะตรงเนี้มันก็ออกจากความทุกข์ได้เนาะน ะ, นะมันก็หนทางแห่งการพ้นทุกข์มันก็อยู่บริเวณบริเวณเนี้ยนะมันคงไม่ได้ไกลยู่บริเวณนี้นะเพราะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระไตรน้อมนําทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิด